ตายแล้วไปไหนได้บ้างหัวข้อเดรัจฉานภูมิมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยถึงแม้จะร่วมอาศัยในดาวเคราะห์ดวงเดียวกันกันกบสัตว์ในพบอื่นดังเช่นที่เห็นเหล่าเดรัจฉานที่วิ่งกันให้เกลื่อนบางลัทธิยังอุตสาห์สร้างความเชื่อว่าพวกมันไม่มีจิตวิญญาณหรือเป็นเพียงวัตถุที่เกิดมาให้มนุษย์กัดกินโดยเฉพาะ น่ยอมเป็นเครื่องยืนยันว่าการเห็นภูมิอื่นด้วยตาเปล่าไม่ได้ช่วยให้เรารู้เรื่องพบภูมิดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยพุทธพ์เดรั ช, ชานภูมิเปรียบเหมือนหลุมที่ลึกยิ่งกว่าช่วงตัวมนุษย์และเต็มไปด้วยอุจจาระหลุมนี้ย่อมไม่นำความสุขมาสู่ผู้กำลังร้อนเหนื่อยและหิวกระหายอยู่ก่อนถ้ายัางเดินหลงมาตามทาง ที่จะพลัดตกลงไปในหลุมอุจจระนี้อีกในที่สุดเขาย่อมพบกับความเน่าเหม็นเป็นทุกข์อย่างสกันทั้งยังต้องทุรนทุรายหิวกระหายไม่เลิกด้วยข้อความจากมหาสีหนาทสูตรเหล่าสัตว์เดรัจฉานแบ่งเป็นจำพวกต่างๆคือหนึ่งพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเช่น มา้าโคลาแพะและอื่นๆที่กินหญ้าเหมือนกัน 2. พวกที่กินคูดเป็นอาหารหมายเหตุคูดหรืออุจจระนะครับเช่นไก่สุกรสุนัขบ้านสุนัขป่าและอื่นๆที่กินคูดเหมือนกันเมื่อได้กลิ่นคูดแต่ไกลก็รีบวิ่งกระหืดกระหอบไปด้วยหวังว่าจะกินเสียเดียวนั้นเปรียบเหมือนพวกพรามณ์ เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยความตั้งใจว่าจะกินให้ได้เลยจะกินให้ได้เลย 3. พวกที่เกิดแก่และตายในที่มืดเช่นตะกะแตนมอดไส้เดือนและอื่นๆที่อยู่มืดๆเหมือนกัน 4. พวกที่เกิดแก่และตายในน้ำเช่นปลาเต่าจระเข้ และอื่นๆที่อยู่ในน้ำเหมือนกัน 5. พวกที่เกิดแก่และตายในของโศโครกเช่นจำพวกที่อาศัยปลาเน่าจำพวกที่อาศัยศพเน่าจำพวกที่อาศัยในขนมกุมมาสเก่าจำพวกที่อาศัยในน้ำคราจจำพวกที่อาศัยในหลุมโซโครกและอื่นๆที่อาศัยของโซโครกเหมือนกัน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 และอื่นๆคงไม่มีใครคัดค้านว่าสภาพชีวิตของเดรัจฉานทั้งหลายหน้าอนายิ่งกว่ามนุษย์ผู้สิ้นไร้ไม้ตอกที่สุดในโลกเป็นแน่กรรมอันควรแก่สภาพเน่าเหม็นกรรมเน่าเหม็นย่อมเหมาะแก่สภาพเน่าเหม็นเมื่อศีลห้าด่างพร้อยหรือขาทะลุเป็นประจำก็มีผลให้จิตใจตกต่ำดามืด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 ถ้ากรรมจะเลดผลก็ต้องไปสู่ความเป็นเช่นนั้นเพื่อเป็นฝ่ายถูกกระทาเข้าให้บ้าง 2. ช่อโกงทรัพย์สินของคนอื่นเช่นมีรายได้เพื่อการอยู่กินที่ดีขึ้นโดวยวิธียักยอกทรัพย์บริษัทถือเอาของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ยกให้เป็นนิสัย 3. ประพฤติสำสอนเช่น เห็นการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องเลือกหน้าก็ได้จะลักกินขโมยกินด้วยการลอบขึ้นบ้านใครขณะผัวเผลอหรือเมียเผลอบ้างก็ได้ 4. พูดให้เกิดความเสียหายเช่นขอทานด้วยวิธีโกหกว่าไม่มีสตางค์กินข้าวนินทา ว, ว่าร้ายยุแยงตะแคงรั่วด้วยเจตนาให้คนแตกคอกันด้วยฝีมือตน 5. เสบเครื่องเมาถึงขั้นสติร่าเลือนเช่นกินเหล้าจนสมองทึบคิดอ่านอะไรไม่ค่อยออกโกรธง่ายหายช้าแม้น้ำหนักอาการปล่อยใจตามแรงจูงของกิเลสจะเบากว่าที่กล่าวมาแต่ถ้าสั่งสมให้มากจนเกิดกลิ่นเน่าเหม็นทางวิญญาณฟุ้งกระจายคือใครเห็นใครอยู่ใกล้ เรารู้สึกถึงความหม่นมืดน่ารังเกียจชวนให้อยากหลีกห่างแบบนี้ก็พร้อมจะดิ่งเข้าท้องสัตว์ในทันทีที่ตายเช่นกันการไปสู่ความเป็นสัตว์นั้นมีความหลากหลายและโดยหลักแม้พบของสัตว์เดรัจฉานจะเหมาะกับคนที่อยู่กินด้วยกรรมอันเน่าเหม็นลามกแต่ก็ยังมีจำพวกของสัตว์ชั้นสูงแยกย่อยมากมาย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 บุญเก่ามักส่งไปอยู่ในอัตภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูคนเห็นแล้วอยากเลี้ยงอยากประคบประงมซึ่งนี่ก็เป็นวิธีแสดงตัวของกรรมที่ยื่นมือเข้าอุปถัมภ์ไม่ให้ตกรกรรมลำบากจนเกินไปและชาติแรกๆที่ไปเกิดเป็นสัตว์ก็มักมีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงมนุษย์สามารถสื่อสารกับมนุษย์เข้าใจได้ง่ายฟังภาษาคนหลายคาออก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 ทั้งที่ไม่เคยทำผิดวินัยร้ายแรงใดๆเลยนิมิตบอกลางร้ายการไปสู่ความเป็นสัตว์คือการไปอยู่ในสภาพชวนสังเวชหน้าอเนตอานาดกรรมนิมิต ท, ที่ปรากฏในห้วงมโนวทวารก่อนตายจึงเป็นความคิด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 ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนเช่นไรเหมาะกับเผ่าพันธุ์สัตว์แบบไหนเช่นคนดุร้ายแต่มีความสง่างามหน้าเกรงขามเหมาะกับสภาพแบบเสือหรือราชสีคนอันพานที่มุ่งร้ายกับคนอื่นก่อนได้โดยไม่ต้องมีเหตุผลเหมาะกับสภาพแบบตัวต่อคนหน้าไหว้หลังหลอกที่เต็มไปด้วยความคึกขนองเหมาะกับสภาพลิง คนรักเดียวใจเดียวแต่เศร้าหมองอะไรไม่เลิกเหมาะกับสภาพแบบนกเป็นต้นสภาพแวดล้อมของเดรัจฉานความจริงคุณเห็นตัวอย่างของมนุษย์ที่เลื่อนภูมิลงไปเป็นเดรัจฉานบ่อยๆเช่นสุนัขที่คุณสบตาด้วยแล้วรู้สึกเหมือนส่งตาพยายามสื่อสารกับคุณเหมือนมันอยากพูดอะไรแต่พูดไม่ได้ ได้แต่เห่าพวกเนี้ยเป็นตัวอย่างของการพึ่งมาจากความเป็นคนบางตัวเกิดใกล้ถิ่นฐานเดิมของตนเลยยิ่งจำได้ชัดนึกรู้สึกอยู่เป็นวูบวบว่าเราเคยเป็นคนและอย่างที่คุณเห็นจนคุ้นสัตว์มีอยู่มากมายทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สื่อสารกับมนุษย์ได้บ้างสื่อสารกับมนุษย์ไม่ได้เลยบ้างอาศัยเป็นที่เป็นทางบ้าง จอจัดอยู่ตามถนนบ้างเป็นสัตว์สามัญที่มนุษย์เลี้ยงกันทั่วบ้างเป็นสัตว์ไม่สามัญที่มีมนุษย์เพียงบางคนเลี้ยงไว้บ้างแต่ความจริงก็คือไม่ได้มีแค่หมูหมากาไก่นกหนูแล ะ, มะแมลงเพียงไม่กี่ชนิดที่คุณรู้จักเทาว่าโลกใบนี้ใบเดียวรองรับสิ่งมีชีวิตไว้ถึงประมาณสิบล้านสายพันกล่าวอีกในหนึ่งคือ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 ความปักใจเชื่อเช่นนั้นถูกทำลายลงสิ้นนับแต่มีเรือดำน้ำไขก่กบซึ่งดิ่งลงไปได้ถึงจุดที่ลึกที่สุดในโลกคือก้นบึ้งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีชื่อเรียกว่ามาร i นา t ทรนจ์ซึ่งลึกหนึ่งเมตรหรือราว11กิโลเมตรณจุดที่มีแรงดันมากกว่าแรงดันอากาศ 1,100 เท่าเจ้าตัวน้อยเช่นปูขาวขนาดเล็ก นอนทะเลกุ้งเผือกปลาจิว๋วตลอดจนสัตว์แปลกหน้าอีกมากยังอุตส่าห์ดำรงชีวิตอยู่กันได้สบายสบา ย, บายเหมือนจะประกาศเย้ยนักวิทยาศาสตร์ว่าถ้าพอใจจะอยู่เสียอย่างยิ่งกว่านี้ก็ยังไหวทำไมสัตว์เหล่านี้ไม่ตายภายใต้แรงดันมหาศาลนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น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 ตั้งแต่ต้นตระกูลมนุษย์อุบัติมาจนถึงทุกวันนี้มีคนมาเกิดแล้วรวมไม่ต่ำกว่าแสนล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่ามนุษย์ตายแล้วจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อย่าได้แปลกใจอะไรเลย6 0พันล้านยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับการเวียนว่ายอยู่ในโลกใบเก่าแต่ข้อเทจจริงก็คือโลกมนุษย์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 แค่สัตว์ใหญ่เฉพาะวัวควายหมูและแกะที่ผ่านโรงฆ่าสัตว์มาเป็นอาหารของมนุษย์นั้นหนึ่งปีรวมแล้วเกิน 1,600 ล้านตัวส่วนสัตว์เล็กที่ฆ่ากันได้สะดวกโดยไม่ต้องผ่านโรงงานฆ่าสัตว์อย่างเช่นไก่นั้นยอดต่อปีเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆล่าสุดตกราว 1,800 ล้านตัวสัตว์เพียงห้าชนิด อันเป็นอาหารประจำของมนุษย์ที่กล่าวมานี้พากันตกตายไปเพียงปีเดียวก็เกินจำนวนพลลโลกในปัจจุบันไม่รู้เท่าไหร่แล้วสัตว์ยิ่งเล็กลงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีปริมาณมากขึ้นเท่านั้นเหมือนฟ้องว่าส่วนใหญ่เคยเป็นมนุษย์ใจเล็กทำอะไรตามๆกันก่อกรรมในแบบที่ต้องเกิดในอัตภาพจิ๋วๆดูยอย่างปลาทั้งมหาสมุทร คำนวณแล้วมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 3.7 ล้านล้านตัวขอให้ตรองดูระดับปลายังขึ้นหลักล้านล้านถ้านับมดปลวกรวมกันทั้งโลกคงเป็นตัวเลขที่นึกไม่ออกบอกไม่ถูกขนาดไหนยิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งจักรวาลอยังตรัสไว้อีกว่าโลกมนุษย์อย่างนี้มีเป็นอนันต์แต่ละโลกก็มีภูมินรก เดรัจฉานเปรตเทวดาและพรหมที่เกี่ยวเนื่องกับตนเองฉะนั้นการยักย้ายถ่ายเทจึงมีไม่จำกัดอย่ากังวลว่าจะขาดพบภูมิที่เหมาะกับกรรมของคุณต่อให้คุณทำกรรมไว้แสนพิสดารหรือประหลาดขนาดไหนก็ตาม